เรื่องให้ตายด้วยข้าวสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายจึงช่วยกันให้ท่านฉันข้าวท่านถึงแก่มรณาภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาดทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงอตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่54สสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอ า, าพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงช่วยกันให้ท่านฉันข้าวท่านถึงแก่มรณาภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ท ร, ร, รงทราบร่งตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัตรปาราชิกองเล็บเรื่องที่ห้าสิบห้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จกฆ่าจึงช่วยกันให้ท่านฉันข้าว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 วงเล็บเริ่มที่56